อาตมาก็ขอขอบคุณบรรดาญาติโยมพบริษัททั้งหลายตอนนี้จะขอพูดถึงอาณิสงฆ์กฐินย่อๆนะอาณิสงฆ์ในการถวายกฐินหรือว่าบรรดาญาติโยมบริษัทถวายสังฆทานสังฆทานวันนี้ก็เป็นสังฆทานของกฐิน <c oughs> การถวายสังฆทานทุกอย่างมีผลควบกับกฐินเพราะเป็นวันของกฐิน อันนี้สงที่เพิ่งได้รับตามที่พระพุทธเจ้าตรัสองตัดว่าถอยหลังจะกลับนี้ไปก็ที่เอกกลับพระพุทธเจ้าของเราเองเกิดเป็นคนจนมากที่เรียกว่ามหาทุกตะและเป็นคนรับใช้ของขหาพอดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกพวกขีตามหน่อยนะมีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าสมบัติมโหสถมุตระเกิดในเวลานั้น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 เกิดที่เป็นเทวดานางฟ้า500ห้าร้อยชาติความจริงต้องเกิด500ร้อยชาติไม่ได้กลับมายมเพราะเวลานี้คนตัง้ตงใจเพื่อนิพพานเพราะปฏิพัน์ก่อนแน่ต่อมาเมื่อบุญยศลงมาเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าห้าร้อยชาติแล้วลงมาเป็นมนุษย์เกิดเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิปกครองโลกอีกห้าร้อยชาติ ก็ต่อมาเมื่อเป็นเ จ, าจา้าจักรพรรดิครบห้าชาติแล้วก็เป็นพระมหากษัตริย์ปกครองประเทศห้ารยชาติเพื่อเป็นกษัตริย์500ชาติแล้วก็ประเกิดเป็นมหาเศร็จถี่ห้รอยชาติเป็นกษัตรห้าร้อยชาติขษเป็นมหาเสร็จถี่ห้ชาติไปนอนุเสด็จถี่ห้รอยชาติมหาเสด็จถีนั้นต้องมีทรัพย์ตั้งแปดสิโปดขึ้นไปจึงเรียกมหาเสร็จถี อนุเสถีก็มีทรัพย์ทั้งสี่โกดขึ้นไปเรว่า อ, อนุเสถีถ้าเปกับบดีห้าร้อชาติมีเงินต่ํากว่าสี่สิบโกดตาตามามีความเข้าใจว่าบรรดาญาโยพุทธบระเสรทุกคนที่นั้งที่นี่รับอนิสงส์กฐินไม่ทันหมดทุกคนไปทิพานหมดก่อนไปทิพานก่อนแน่นะดีไม่ดีก็ชาตินี้แต่ไปเยอะชาตินี้อย่างน้อ ย, อยก็ ที่นั่งอยู่ที่นี่ก็เห็นจะเป็น 99% อีกเปอร์เซ็นต์เก็บไว้ก่อนไปดูโลกอีกเปอร์เซ็นต์ไทยรู้ไหมดรปัญญาพูดมากให้มันพูดต่อไปอีกเขาย่าโยมตั้งใจว่าตั้งใจแต่หลังจากถวายไปแล้วนะหลังจากถวายของแล้วนี่เขาอธิษฐานให้อธิษฐานคิดโดยตรงว่า ข้ามเาเจ้าโดยอดิสงค์การตอนถวายก็ถินนี้ขอให้เป็นปัจจัยเข้าไปเจ้าเข้าถึงมิตรพานในชาตินี้ถ้าบาังเอิญบารมียังไม่ถึงต้องเวียนไหวใจเกิดในวัดตาตงศารก็ขอคำคำว่าไม่มียจ้าอยากปรากฏกับข้าพเจ้านั่นหมายความว่าเกิดขึ้นมาแล้วต้องการอะไรมันมีทุกอย่างอย่างพระอนรุต เพราะอนุรุธทกาศตามนี้บวชถวายทานทุกครั้งท่านถานว่าขอคําว่ามันมีอยู่อย่างปรากฏพระเจ้ามาชาติหลังที่สุดวันก็มีทุกอย่างแต่ท่านชอบเล่นขุกกระเพื่อนเทศกานะแล้วก็แม่ก็ทําขนมมาให้ทุกวันมรณะาดเลี้ยงตัวเองด้วยเลี้ยงเพื่อนด้วยแต่ว่ามาวันหนึ่งปรากฏขนมไม่มี พอ ถ, ถึงเวลาก็ใช่คนใช้ให้ไปรับขนมที่แม่แม่บอกมาบอกว่าขนมไม่มีท่านไม่เคยเห็นดีํำว่าไม่มีมีแต่มีเฉยๆแกนึงบอกก็ไม่ให้ใท่คนใช้บอกว่าขนมไม่มีก็เอาอยาาจะกินขนมไม่มีแม่ก็คิดในใจว่าลูกของเราเกิดเป็นลูกเจ้าต้องการอะไรก็ได้ทุกอย่าง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 ว่าขอผลทานนี้ข้าพเจ้าทำนี้ขอคำว่าไม่มีหยาบร้กากับข้าพเจ้าเป็นเพาเป็นเหตุให้เทวดารักษาตัวเดือดร้อนถ้าวันนี้ถ้าพระอนุรุตไม่มีขนมกินเทวดารักษาตัวจะต้องหัวแตเกเจ็ดเสี่ยงตายแน่เทวดาก็ต้องนทีน่ขนมทิพเข้าถาด่าถึงวางลงพอป่วยขึ้มากินทั้งหอมทั้งหวานน่าอร่อยก็เกิดขึ้นกินก็หอม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 อาถาดเปล่าปิดเครื่องบนให้เขาใช้แบกไปเป็น น, นว่าว่าเทวดาองค์นั้นจะต้องทําขนมทุกวันสบายไปเลยญาญโญเหมือนกันกวันนี้ทําบนกันหลายอย่างคําว่ากระินตามที่ด็อกเตร์ปญยาประกาศเพราะว่าต้องมีผ้าเนี่เป็นความจริงผ้าเนี่เป็นกระถินสําหรับอย่างอื่นเป็นบริวารอย่างเงินที่บรรดาธนพคารบริ ษ, ษัทให้มาแล้ว ต่อไปชาติหน้าก็จะมีเงินครับขั่งฐานะดีไม่น้อยกว่ามหาเศรษฐีทุกคนถ้าบัเอิต้องเกิดนะในการในสองการถวายผ้าเนื่อในการสังฆท า, านก็ดีกรถินก็ตามเทวดาเคยถามพระพุทธเจ้ า, ว, า ว, ว่าการให้อะไรชื่อว่าให้ผิวพรรณพระพุทธเจ้าบอกว่าการให้ผ้าผ่อนท่าสบายมปนการให้ผิวพรร์คำว่าให้ผิวพธุ์หมายความให้ผิวพันธุ์สวยนั่นคือการถวายผ้า ในการนี้สามญาติโยมถวายพระพุทธรูปเมื่อกี้อย่าลืมว่าผิวสวยนะแต่ตัวเองอาจจะไม่สวยก็ได้สวดทรงนะนี่การถวายพระรูปถ้าเป็นเทวดาแลือเป็นนางฟ้าแล้วผมจะมีแสงสว่างมากถ้ามาเกิดเป็นคนก็จะเป็นคนมีสวดทรงสวยมากเป็นวันนันว่าอานิสงส์ที่ญาติโยมต้องการหนึ่งมีสวดทรงสวยได้แล้ว ในการในสองมีผิวพรรณสวยก็ทำแล้วในการในสามการมีทรัพย์สมบัติมากกว่าทำแล้วไล้วของทุกอย่างที่ญาโยมทำครบถ้วนทุกประการทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยของปฏิพันธ์นโดยตรงขอให้ทุกคนตั้งใจไว้ยอย่างนี้นะว่าชาตินี้ขอไปนิพพานถ้าบังเอิญมันไปนิพพานไม่ถึงก็ค้างที่พรหมบ้างที่สวรรค์บ้างแล้วก็่าตีตัวต่อ ไปที่พันทันทีเมื่อหมดวาระตอนนี้ก็เห็นจะเรียบร้อยแล้วนะญาโยมตั้งใจถวายกถินญายมนะอ่าต่อไปนี้ขอท่านสาธุชนโพธิบริษัทธและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายตั้งใจบูชาพระอาจายไกล และกราบพระและรับสินพร้อมกันก่อนเจ้าข้า <c oughs> <c oughs> อิมินาสกาเลนาต่างพุทธังอภิปูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาย่างเย่งคุณของพระพุทธเจ้า โหตรัตรูร้ได้โดยพระองค์เองด้วยเครื่องสาการะอนี้อิบินาสากาเลนาต่งางธรรมอภิปูชยามาผ้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่ง คุณของพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ น, นั้นด้วยเครื่องสาการะอนี้อมินาสาการเรนาะต่างสร้างขังอภิปูชยามา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 พระองค์นันด้วยเครื่องสักการะอนีอรังสมานสามพุทโภคกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมีสวากาโตภะกวาตาธรรมม ธรร ม, มานามาสามีสุปฏิปันโนภะควโตสาวกตังโคสังขังนามามีกายทุกข์อย่างพันเตวิสุงวิสุงละกนนันทายะตสระเนนัสหาปัญจติรานิยาจามา ทเตยามเป็มย่างพันเตวิสุงวิสุงละกนัธาญาติสรเนสนะสหปัญจศิรานิยจามากตยามเป็มย่างพันเตวิสุงวิสุงละกนัธายาติสระเนนะสห ปัญจสิรัญญาจารย์มานมาะโมตัสสะพระครวตูอรหัตูสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวตูอรหัตูสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระครวตูอรหัตูสัมมาสัมพุทธะ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 นโมตัสสะพระวโตอะระหะโตสัมมาตามพุทธัสสะทงสระนังขามีพุทธังสระนังขามีังสระนงขามีพัฒมังสระนังขามีทัสระนังามีสังขังสระนังขจามียัมปิพุทธังสระนังขจามีโพธิยัมป พุทธังสระนางขจามิยัมปิธรรมังสระนางขจามิโพธิยัมปิธรรมังสระนางขจามิยัมปิสังขังสระนางขจามิโพธิยัมปิสังขังสระนางขจามิอนาติปาตาวิตาติยัมปิว่าตาย่างนีเลยโอ้ยเอาซะก่อนแล้วนี่ ตะติยมปีพุทธังสระังขจามีตัติยมปพุทธังสระนังขจามีตัิยมปีธรรมังสระนังขจามีตัติยมปีธรรมังสระนังขจามีตัิยมปีสังคังสระนังขจามีตัติยมปีสังังสระนังขจามีอนาติปันตาวีระมณีสิกขา พระทังสมาธิยามิปานาทิปตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาธานาเวระมณีสิกขาพระทังสมาธิยามิอะทินาธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะมสุมิชญาจาราเวระมณี สิกขาปะทังสมาธิย า, ามิภาเมสุเมชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิโมศาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทัง ที่ยามีราเมระยะตมะฉะปมมาตธานาเวระวณีสิขาปะถังสมาธิยามีสุลามเอรยะมัชะปมมาตธานา ระมณีสิกขาปทะธางสมาธิามีอนิพัญจะสิกขาประธานิสีเลนสุขติม <ay> ยนะันตินุสิเลนภูเขาสัมปทานนุสีเลนในพูทธิมยันติตัศมาสีหลังวิโสอทะเยต่อไปนี้ขอพ่อแม่พี่น้องและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย ตั้งใจตั้งนามโอเวายวทะเวายวผ้าพระกฐินทานพร้อมกันเจ้าคานาะโมตัสสะภะคะวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนาโมตัสสะ 阿拉โตสัมมาสัมพุทธสัจสะอิมังสัปริวารังกะทินทุตังสังขตาโอโนชยามาสาธุนโนพันเตสังโฆอิมัง สปริวารังกะินจิวระทุตรังอัฐลานโตอัมมากงธีคารตังธิตายะสุขภายาผ่าแต่ท่านประสงค์ผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าพระกะถินญิวานพร้อมกับพงที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระคุณเจ้าผู้มีตินทั้งหลายขอพระคุณเจ้า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 ให้แกข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแกข้าพระเจ้าทั้งหลายมีบิดาและมารดาเป็นต้นด้วยที่ได้ตายไปแล้วนั้นจงได้รับซึ่งความสุข สมความปรารถนาเท่อการนานเทินสันสุตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ไปเค้นพระนะเดี๋ยวต่อไปก็จะพูดถึงกฐินหน่อยอย่าโยมกถินนมีสามอย่างนะหนึ่งจุละกะถินสองปกติกฐินสามมหากฐิน สำหรับจุนกรถินนั้นมีผ้าอย่างเดียวคือสบอหรือจอีวรอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อมีของน้อยเครียกจุนกรถินแต่ปกติกรถินนั้นมีผ้าไตรครบไตรเป็นปกติกรถินแต่มหากรถินนั้นมีผ้าไตรทุกองค์วันนี้ญาติโยมพุทธบริษัทถวายกรถินพระไม่ได้รับผ้าไตรทุกองค์เหมือนกันหมดจัดเป็นมหากรถินก็ถือว่าเป็นบุญที่มีกําลังสง์ที่สุดในการถวายกรถิน คนใดญาติาจนหลายกลับไปบ้านอย่าลืมพระนิยมนะอย่าลืมนึกถึงกรถินที่เราถวายแล้วแต่มีบางท่านอาจจะสงสัยว่าการทําบุญไม่เสมอกันทําบุญมากบ้างน้อยบ้างจะมีสงอนกันไหมก็ตอบว่ามีอันิสงเหมือนกันแต่ว่าทรัพย์สินต่างกันแต่อย่างน้อยที่สุดเปิดไปชาติหน้าก็ต้องมีทรัพย์อย่างน้อยแปดสิบโกรธเหมือนกัน แล้ ว, ว่าถ้าคนที่ทาบุญไปปริมาณมากก็อาจจะเลย80ดก่บขึ้นไปอย่างน้อยที่สุดต้องมี80ดสิบวที่เป็นมหากรทสีมหาสถิตแน่แต่ใครทาบุญมากกว่าก็มีเงินมากกว่านั้นในญาติโยมนะก็รงความว่าทุกท่านมีความวางระวังใจได้หลังจากชาตินี้ไปแล้วเราจะไม่อยากจนยิ่กว่าจะเขา้านิพพานหรือหลายท่านอาจจะเข้าิพานในชาตินี้ การท่ากรถิ่นนี้ไม่ใช่ให้ผลเฉพาะชาติหน้าอย่างเดียวมีชาตินี้ก็มีการให้ผลอยตัวอย่างเจ๊กเตี้ยเผอกผักไห้เขามาขอลูกสาวชาวบ้านบันคขตอนเวลานั้นอัตมาอยู่ที่บันโขแกอายุสี่สิบเศษแต่ว่าลูกสาวชาวบ้านเขายี่สิบแปดปีในเมื่อมาขอแล้วเขาเจ้าสาวยืนยันว่าถ้ายอมให้ถวายทานยอมให้ทําบุญก็จะแต่งงานด้วย ถ้าไม่ยอมให้ทำบุญก็ไม่ยอมแต่งงานด้วยแกก็ตกลงยอมแกมีลงเรื่อยลงเรื่อยมือต่อมาถึงการกระถิงอย่างนี้เจ้าสาวก็บอกว่าเขาต้องการจะเท่ากระถิงนแกอนุญาตแต่เคยแกไม่เคยสนใจจะเสื้ออะไรมาก็ช่างจะทําไงก็ช่างไม่เคยสนใจแต่เวลาเขาถวายกระถิงให้เขาบังคับให้ไปด้วยแกก็ไปแกบอกว่าแกก็ไปเฉยๆเขาจะเว่าไงว่าตามเขาไป แต่ผลที่ได้รับก็คือว่าปีนั้นกำไรดีกว่าทุกปีขึ้นมาหมดมันดีขึ้นเจ๊ขึ้นไปบัญชีนะบัญชีการค้าเนพอมาปีที่สองแกก็เริ่มปัญญาก็เริ่มเท่ากับถินใหม่ตอนนี้เริ่มช่วยเล็กน้อยจะซื้ออะไรก็ช่วยให้จะให้ไปไหนก็ไปช่วยทุกอย่างแต่ก็ใจก็ยังไม่เต็มที่แต่ก็ดีใจว่าบัญชกดีขึ้น พอปีที่สองปรากฏว่ากําไรมากขึ้นเห็นชัดมากพถึงปีที่สามพัญญาก็ได้ฟังเลยบอกว่าพอถึงปีที่สามฉันทําอะไรไม่ได้เลยเพราะอะไรไหมเท่าแก่ทําเองหมดเสื้ออะไรมันก็ตามไม่ดีทั้งหมดต้องเท่าแก่ซื้อเองเหลือแต่ต้นจา ก, จากตรง น, นั้นเป็นต้นมาก็เป็นว่าการเท่ากับถิ่นเท่าแกแกต้องจัดเองทั้งหมดไม่งั้นมันไม่ดีพอ พอปีที่สามเทวินผ่านไปจากรงเลื่อมือก็เป็นรงเลื่อจักรายได้ก็ดีขึ้นนี่ญาติญาติโยมพุทธบริษัทการถวายเทวดงไม่ใช่จะไปรอรับผลเฉพาะชาตินายอย่างเดียวนะถ้าถวายทุกปีจะมีผลตามที่ว่ามานี้ให้สังเกตตัวเองก็จะมีการคล่องตัวดีกว่าคนที่ไม่เคยถวายกทวินทานตอนนี้ไปก็ขอพรญาติโยมพุทธบริษัทท่านเออย่าลืมนะ คนที่มาใหม่เมื่อกี้นี้นะยังทาบุญได้อีกนะไม่เป็นไรนะพระยะาสัพิสิกขรมบุญใหม่ไน้นะตอนนี้ไปเขาญาติโยมรับพรจะประสงค์ยะถ า, าวริวาหาผุราบ ร, ริปุเรนดีสาครังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกรารปติอิจิตังปฏิตังตุมหังฮิปเมวมัชเมจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโตนราโซยะธามานิโชติราโซยะธาอิวะจันโตจับอะโร จามุทธามาจายนุวัจจตารุษธรมาวัดยันติอายุวันนุวัชุคังวันลอายุวัดตโกวันนาวัดโกวิริวัดตะโกยาสวั จันเตจัสสัยขยสิทิทนาลางพังโสติมหาพยายามตุคังบาลังสิทธอายุจะวันโนอจะพวะพังอุดธีจายสวาสะตะวัดสายจะอายุจายวะวะปิด ท่พวันดุเตทิวันตุสัตภาลังกาลังรักขันตุสัตหันเทวันตาสัตภะุทธานุภาเว